ในโสรสะมานวกะปัญหาเนิเนี่ย น, น, นี่ก็เป็นคาถาสรุปของมาน์ทั้งส6หกท่านในหน้าสี่อยสามสิบสองกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเช่นนี้แล้วเมื่อประทับอยู่ที่ปาศาณกะเจดีแคว้นมคธพรามสิบกคนทั้งปิงคิยะพรามผู้เป็นปริจาริกาทูลเชื้อทูลเชื้อเชิญถามแล้วถามแล้ว พระองค์ก็ทรงพยากรณ์แล้วซึ่งปัญหาเนี่ยนะสิพราหมณ์16ท่านก็ท้าปัญหาการพระองค์ก็ตอบทั้งหมดเนี่ยนะซึ่งอธิบายว่าคําว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วเช่นนี้คือพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแล้วซึ่งปารายณะสูตรนี้คําว่าพราหมณ์16คนเนี่ยนะก็คือพราหมณ์16นั้นอะทั้งปิงคียะพราหมณ์ผู้เป็นคนรับใช้ใกล้ชิดผู้ประเสริฐที่ปรารถนาของภาวรีพราหมณ์ ด้วยเหตุนี้พราหมณ์ทั้ง16คนเนี่ยทั้งปิงคิยะพราหมณ์ผู้เป็นปริจาริกาคือคนรับใช้นะอีกอย่างหนึ่งพราหมณ์สิคนนั้นพึงเป็นปริจาริกาผู้ประเสริฐที่ปรารถนาะแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วคือตอนแรกพราหมณ์16ท่านก็เป็นสิทธิ์ของพราหมณ์ภาวรีตอนหลังฟังธรำบรรลุธรรมก็เป็นสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้า แล้ในคาถานี้ว่าถ้าบุคคลรู้ทั่วถึงอัตรู้ทั่วถึงธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งพึงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไซพึงถึงฝั่งแห่งชราและมรณะเพราะว่าธรรมนี้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ถึงฝั่งเหตุนั้นคําว่าปรายณ์นั่นแหลเป็นชื่อของธรรมปริยายนี้แกว่า ฟังฟังเข้าใจปัญหาเดียวะของมนุษย์แต่ละท่านนะนะรู้จริงปัญหาหนึ่งแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทําถึงพระนิพพานแน่เพราะว่าธรรมที่แสดงเนี่ยเป็นธรรมที่ทําให้ถึงพระนิพพังคือพระนิพพานอธิบายว่าถ้าแม้ปัญหาหนึ่งหนึ่งคือปัญหาของอาชิตะหรือติสสะปุณนกะเมตตะคูโทตกะอุปศีวานันทะ เหมะกะโตทยะกับปะฉตุกันนีพัทราวุธอุทยะโปสาละโมกขราชหรือท่านปิงขิยะเนี่ยนะแต่รู้ปัญหาหนึ่งหนึ่งก็ของแต่ละท่านก็ตามรู้ทั่วถึงอัดรู้ทั่วถึงธรรมคือรู้ทั่วถึงคือทราบเทียบเคียงพิจรารณาเจริญธรรมให้แจมแจ้งแล้วซึ่งอัจว่าเป็นปัญหานั้นนั่นแลเป็นธรรมะข้อวิสัชนาเป็นอัถ นะรู้คำถามเป็นธรรมะรู้คำตอบเป็นอัฏฐะเรียกว่าเข้าใจคำถามและคำตอบอย่างชัดเจนแล้วปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคือพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติสมควรข้อปฏิบัติไม่เป็นฆาสึกข้อปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ข้อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม คำว่าฝั่งแห่งชรามรณะก็คืออมตะนิพานคือความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายตันหาความดับความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรับท่านกล่าวว่าถึงฝั่งแห่งชราและมรณะ พ, พระสูตนี้เป็นสู่ที่พึงให้ถึงฝั่งชรามรณะคือถึงพระนิพานเนี่ยนะคือพึงถึงถึงบรรลุถึ ง, ถ ง, ถงพึงถูกต้องทําให้แจ่มแจ้งซึ่งฝั่ง เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าถึงฝั่งแห่งชราและมรณะคาว่าธรรมะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งการให้ถึงฝั่งความว่าธรรมะเหล่านี้เป็นฐานะอันให้ถึงฝั่งคือให้ถึงให้ถึงพร้อมให้ตามถึงเอ่อถึงพร้อมซึ่งฝั่งคือเป็นไปเพื่อให้ข้ามชราและมรณะแต่ละสูรแต่ละสูดเนี่ยนะแต่ละคำถามนี่ก็ที่พระองค์ตอบนี่ก็ถึงฝั่งคือพระนิพพานในทั้งหมดเลยแหละ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 พรามทั้ง16กท่านเนี่ยนะคืออชิตะพรามติดสะเมตยะปุณกะเมตคูโทตกะอุปสีวะนันทะเหมกะโตทยะกปะจตุกันนีผู้เป็นบัณฑิตนนะเป็นพรามผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยนะพัทราวุฒอุทยะโปสาระโมคราชผู้มีปัญญาปิงคีพรามผู้สแสวงหาธรรมะใหญ่พรามเหล่านั้นเข้ามาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้า ผู้มีจารณะถึงพร้อมผู้สแสวงหาเมื่อจะทูลถามปัญหาอันละเอียดมาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐท่านเหล่านั้นก็เข้ามาเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยคำว่าพุทธะก็คือพุทโธนะคำว่าพระพุทโธพุทโธก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสยามภูไม่มีอาจารย์ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งสัจจะทั้งหลายเอง ในธรรมะทั้งหลายที่พระองค์ไม่ทรงเคยได้ยินมาในการก่อนเป็นผู้ถึงแล้วซึ่งความเป็นพระสัพพันธ์อยู่ในธรรมะเหล่านั้นและถึงแล้วซึ่งความชำนาญในพระธรรมทั้งหลายอันคำว่าพุทโธเนี่ยนะถามว่าประอัดบักกะไรคือมีความหมายยังไงจึงชื่อว่าพุทโธ เพราะทว่าตรัสรู้สัจจะทั้งหลายเพราะพระองค์เนีปลุกหมู่สัตว์ให้ตื่นเพราะพระองค์รู้รู้ธรรมทั้งปวงเห็นธรรมทั้งปวงทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งทรงเบิกบานแล้วเพราะส่วนเพราะส่วนแห่งพระองค์มีอาสวะสิ้นแล้วเพราะส่วนแห่งพระองค์ไม่มีอุปกิเลสปราศจากราคะโทสะโมหะโดยส่วนเดียวไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวพระองค์ทรงถึงแล้วซึ่งเอกายนามัก ทรงเป็นผู้เดียวตรัสรู้เฉพาะซึ่งสัมมาสัมโพธิญาณอันประเสริฐเพราะทรงกำจัดความไม่รู้ทรงได้ปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้อันคำว่าพระนามว่าผู้โธนี้ไม่มีใครตั้งให้มิตรอมาตย่าสาโลหิตพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ตั้งให้ทั้งนั้นเป็นวิโมกขันตินามคือนามที่เกิดในที่สุดแห่งการหลุดพ้นเป็นสัิกาบัญญัติพร้อมด้วยการบรรลุสัพพัญญุตยาณะควงไม้โพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้ตรัสรู้แล้ว พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่มีจรณะนะความสําเร็จแห่งศีลและอาจาระคือศีลและมารยาททางกายวาจาเนี่ยท่านกล่าวว่าจรณะศีลสังวรก็ดีอินทรีย์สังวรโภชนเนมตันยุตาชาคริยานุโยกสัตธรรม็ดคือสัทธาหิริโอตปะวิรยิยะสุตสุตสติปัญญาฌานสี่คือปฐมฌานเป็นต้นเรียกว่าจารณะนะนะจารณะ 15, นะ 1, สิบห้านะหนึ่งศีลสองอินทรีย์สังวรสามโภชเนมตันยุตาสี่ชาคริญญายานุโยค 5ถึง11ก็คือ5้ศรัทธาหหิริเจโอตตปะ8วิริยะ9สุตตะ10สติ11ปัญญาแล้วก็12ก็ปฐมฌาน13าตติยะฌาน14จตาติยะฌาน15จะตุทชฌานทั้งหมดเรียกว่าจารณะคำว่าผู้ถึงพร้อมอผู้มีจารณะถึงพร้อมคือมีจารณะสมบูรณ์มีจารณะประเสริฐ มีจารณะเป็นประธานมีจารณะอันอุดมมีจารณะอย่างยิ่งเนะี่ยเรียว่าพระองค์พูดถึงพร้อมด้วยจารณะเนี่ยนะปัญหาที่พราหมณ์มาโทถามอาราธนาเชื่อเชิญให้ประสาทแต่และปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาที่ละเอียดคือซึ่งปัญหาที่ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ได้ยากสงบประณี๊ไม่พึงยั่งลงได้ด้วยความตรึกต้องบรรลุจริงๆแหละจึงจะเข้าใจะนะเป็นปัญหาที่ละเอียดที่บัณฑิตพึงรู้ได้ พญานพรามทั้ง16บหกท่านเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้มีจรณะถึงพร้อมแล้วผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พรามเหล่านั้นเมื่อจะทูลถามซึ่งปัญหาทั้งหลายอันละเอียดก็ต้องบัณฑิตนะรู้ได้มาเฝ้าแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐพระพุทธเจ้าอันพรามเหล่านั้นทูลถามปัญหาแล้วก็ทรงพยากรณ์แล้วตามควรพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงให้พรามทั้งหลายยินดีด้วยการพยากร์ปัญหาทั้งหลายยนะ เขาถามมาพระองค์ก็ตอบตามสมควรเนี่ยนะตามควรก็คือตรัสบอกตามที่ควรตรัสบอกแสดงตามที่ควรแสดงบัญญัติตามที่ควรบัญญัติแต่งตั้งตามที่ควรแต่งตั้งเปิดเผยตามที่ควรเปิดเผยจำแนกตามที่ทรงจำแนกทำให้ง่ายตามที่ควรทรงทำให้ง่ายประกาศตามที่ควรทรงประกาศเพราะฉะนั้นเรียกว่าเขาถามปัญหาก็ตอบตามสมควรตามความเหมาะสมจริงๆ พระองค์ก็ทรงให้ยินดีคือทรงให้ยินดีให้ยินดียิ่งให้เลื่อมสายให้พอใจทรงทาให้เป็นผู้ปลื้มใจพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเป็นมุนีเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพรามเหล่านั้นมาถามปัญหาพระองค์ก็ตอบตามสมควรพระพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีทรงได้พยากรณ์ให้พรามทั้งหลายยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหาทั้งหลายพรามนั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุ ผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์ทรงให้ยินดีแล้วได้ประพฤติพรหมจรรย์นในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาอันประเสริฐคือพราหมณ์ผู้มีความต้องการถึงฝั่งนะต้องการถึงพระ น, นิพพานสิบคนนะพราหมณ์เหล่านั้นก็พระพุทธเจ้าให้ยินดีแล้วนะพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุหคือมังสะจักสุที่ประจักสุปัญญาจักสุพุทธจักสุสมันตาจักสุเนี่ยนะพระองค์นี่ทรงให้ยินดีแล้ว แล้วก็พรามเหล่านั้นก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคก็คือความงดความเว้นความเว้นเฉพาะเจตนาเป็นเครื่องเว้นความงดเว้นความไม่ยินดีความงดการทำความไม่ทำความไม่ต้องความไม่ต้องทาความไม่ล่วงแดนความฆ่าด้วยเหตุคือด้วยอริยมรรคนี่นะซึ่งถึงพร้อมด้วยอาัาธรรมเรียกว่าพรหมจรรย์ อีกอย่างหนึ่งอริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากมามตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยนะเรียกว่าพรหมจรรย์มันคำว่าพรหมจรรย์นี้ด้วยสามารถกล่าวตรงๆก็คืออริยมรรคมีองค์8ปดท่านพราหมณ์เหล่านั้นทั้ง16ท่านเนี่ยก็ได้ประพฤติพรหมจรรย์คืออริยมรรคมีองค์8ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติสมาทานประพฤติเพราะฉะนั้นเรียกว่าประพฤติพรหมจรรย์ ถามว่าประพฤติที่ไหนก็คือประพฤติในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐคือแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐมีพระปัญญาเลิศมีพระปัญญาเป็นใหญ่มีปัญญาเป็นประธานมีพระปัญญาอุดมเป็นมีพระปัญญาบวรฉะนั้นพรามทั้ง16ท่านเหล่านั้นอันพระพุทธเจ้าผู้มีจักสุหประการผู้เป็นเผาพันแห่งพระทิศให้ยินดีแล้วแล้วก็ได้ประพฤติอริยมรัก มัคคุปปรมอาจารย์นในสำนักแห่งพระพุทธเจ้าผู้มีพระปัญญาประเสริฐผู้ใดพึงปฏิบัติธรรมแห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงแล้วผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝังไปถึงฝังนะถ้าปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงเนี่ยนะ เรียกว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมอ่าปฏิบัติตามธรรมความว่าผู้ใดพึงปฏิบัติข้อปฏิบัติชอบข้อปฏิบัติสมควรข้อปฏิบัติไม่เป็นค่าสึกข้อปฏิบัติเป็นไปตามประโยชน์ข้อปฏิบัติสมควรแกร่ธรรมก็จะไปถึงฝั่งฝั่งก็เป็นชื่อของอมะตะนิพานความสงบสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปวงความสิ้นตันหาความคลายกําหนัดความดับตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัเรียกว่าฝั่ง ส่วนสิ่งที่ไม่ใช่ฝังก็คือกิเลสกับอภิสังขารเรียกว่าไม่ใช่ฝังก็คือกิเลสวัตกับกรร ม, มวัตเนี่ยไม่ใช่ฝังแน่นอนพันก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามธรรมดังที่กล่าวไปก็จะถึงที่มิจะจากที่ไม่ใช่ฝังคือโลกิยเนี่ยนะถึงฝังคือโลกุตระพึงจากที่ไม่ใช่ฝังไปถึงฝังคือบรรลุถึงถูกต้องทำให้แจ้งซึ่งฝังคือพระนิพพานสรุปว่าผู้ใดปฏิบัติธรรม แห่งปัญหาหนึ่งหนึ่งคือทุกๆคําตอบที่พรามถามเนี่ยนะตามที่พระพุทธเจ้าแสดงแล้วผู้นั้นพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือกิเลสอสังขารเนี่ยนะก็จะถึงพระนิพพานคือฝั่งบุคคลเมื่อเจริญมักอันอุดมพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งมักนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งเพราะเหตุนั้นมักท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งปาราญะเนี่ยนะ เรียกว่าจากที่ไม่ใช่ฝั่งให้ถึงฝั่งท่าปฏิบัติตามอริยมร์ประกอบไปด้วยองค์8ที่ไม่ใช่ฝั่งก็คือกิเลสอภิสังขารขันเนี่ยนะก็คือวัตะในภูมิสามอ่ะนะทั้งที่เป็นกิเลสเป็นวิบากเป็นกรรมอ่ะนะกรรมวิบากกิเลสเรียกว่าวัาตเรียกว่าไม่ใช่ฝั่งละส่วนอมะตะนิพานความสงบระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปธิทั้งปว ง, ค ว, ค, ป ง, ปวงความสิ้นตัณหาความคลายกําหนัดความดับ ตันหาความออกจากตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดท่านเรียกว่าฝั่งเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติตามธรรมนี้ก็จะถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งจะออกจากโลกิยะเข้าถึงโ ล, โลกุตระล ม, มแรง มักมีองแปดนะนะที่แบบเมื่อผู้ใดเจริญมักก็คือเจริญอริยมักมีองแปดคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสามาธิเรียวกว่ามักพันธาผู้ใดที่เจริญมักมักที่อุดมคือสูงสุดประเสริฐวิเศษอันเลิศเป็นประธานสูงสุดอย่างยิ่งพัน้าคําว่าเจริญก็คือเจริญซ่องเสพทําให้มากซึ่งอริยมักเนี่ยนะมักนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่ง มักเขามีหลายชื่อนะทางภาษาบาลีเช่นมักปันถาปัถาปัชชะอัญชสวัตุมายณะนาวาอุตราเสตุปักุละนะสังกามะทุกอย่างก็แปลว่าทางหรือแปลว่ามักหมดเลยอันท่าปฏิบัติตามมักมีองแปดก็เพื่อให้ถึงฝั่งคือเพื่อให้ถึงฝั่งให้ถึงพร้อมซึ่งฝั่งเพราะเหตุนั้นมักท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่ง คือข้ามพ้นชราและมรณะนี่นะอันนี้เป็นชื่อของอมตะนิพานที่สงบระงับสังขารทั้งปวงสละคืนอุปธิทั้งปวงเนี่ยนะมักเรียกว่าอายณะคือเป็นที่ให้ถึงสรุปว่าเมื่อบุคคลเจริญมักมีองค์แปดอันสูงสุดจะพึงจากที่ไม่ใช่ฝั่งไปถึงฝั่งจากที่ไม่ใช่ฝั่งคือโลกิยะถึงฝั่งคือโลกุตระ พระนิพานเนี่ยนะมักนั้นย่อมเป็นไปเพื่อให้ถึงฝั่งคือพระนิพานเพราะเหตุนั้นมักท่านจึงกล่าวว่าเป็นที่ให้ถึงฝั่งหลังจากจบคถาทั้งหมดที่กล่าวไปเนี่ยนะเทวดาและมนุษย์ก็บรุษสิบสี่โกดเนี่ยนะว่าตามปรายนาวัคเนี่ยนะบอกว่าชดินหนึ่งหมพันคนเนี่ยได้บรรลุเป็นพระอรหันต์เทวดาและมนุษย์นับได้สิบี่โกธที่เหลือได้ตรัสรู้รำบรรลุสิบสี่โกดนะอ๋อ จากสิบสี่โกดก็ร้อยสี่สิบล้าน น, านั่นแหละบรรลุเทวดามนุษย์บรรลุมรคผล ท, ทั่วไปเนี่ยนะร้อยสี่สบล้านบรรลุเป็นพาะอหารหมื่นหกพันไม่มีคุณบุญชูอยู่ในนั้นเลยไม่มีเราเลยเนะเ<ร>าะเพราะฉะนั้นเมื่อจบเทศธรรมเทศนาเนี่ยพวกมนุษย์จากที่นั้นก็ด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าก็กลับไปยังคา ม, มนิคมของตนของต น, งตนกลับถึงบ้านโดยธรรมดาเลยนะดยบุญของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ภิกษุ 16,000 รูปแวดล้อมก็เสด็จกลับไปยังกรุงสาวัตถี